ลาภยศชนะเสริมมันเป็นของอยู่ในโลกมันไม่กี่ปีมันก็หมดแล้วเพราะนั้นทุกคนให้หันหน้าเขาหากันปรึกษาปารัรุกันหันศีลธรรมเข้าหากันมีเมตตาต่อกันรู้จับแบ่งสรนปันส่วนอันไหนควรจะได้อย่างไรไม่ใช่ว่าโลกโหโมกตนะมีอะไรก็โลกพอาทั้งหมดมีอะไรก็ก็จะแย่ง เขาจะเป็นใหญ่ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะคนเกิดในพื้นแผ่นดินไทยมีสิทธิ์ที่จะได้แบ่งสันปันสั่วกันอยากจะให้จิตใจทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมศินธรรมจริยธรรมที่ดีอย่าได้เปียดเบียยงชิงกันละกันอย่ามองกันเห็นคนอื่นเป็นผักเป็นปลาเป็นคู่อริสัตให้ท ย, ยทุกคน เป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติต่างคนก็ต่างเสียภาษีด้วยกันขณะหลวงพ่อที่อยู่ในป่าหลงพงไพ่หลวงพ่อเป็นทาะหลวงพ่อก็ยังเสียภาษีให้แก่ชุมชนหลวงพ่อเสียอะไรเห็นได้ชัดกก็หลวงพ่อไปนั่งรถไปเติมน้ำมันก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลวงพ่อเจ็บมา้วเขเสียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็บอันนี้น เห็นได้ชัดๆกันะแต่ส่วนอื่นนั่นเอาของมาใช้ในวัดก็ได้เสียภาสีสไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่สรุปแล้วก็คือการได้มาการเสียไปก็เพื่อคนในชาติเพราะนั้นทุกคนถ้าเห็นแก่ประเทศชาติปานเมืองไม่เห็นแก่ผักแก่พวกไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ควรจะอันนผิดอั น, นถูกก็เป็นที่รู้กันแต่ต่างคนก็ต่าง ได้รับการศึกษาดีๆสูงๆทั้งนั้นปฏิญญาตรีโทเอกทั้งนั้นแถมยังโปรฟิเซอร์อีกต่างหากปริญาเอกหลายแขนงอีกต่างหากผ่านการบ้านการเมืองมาอย่างโศกโนอันไหนผิดแต่นอันไห น, น, นถูกจะไม่รู้เหรอถ้าว่าจิตเรศความโลภโหมโมกขนนะโลบโกดหลงเขาอยู่ในจิตใจของพวกเราแล้วก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดบอด มันมืดหูมันหนวกใจมันบอดนะถ้าเป็นลักษณะนั้นจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดพวา ก, กิเลสราคะโทสะโมหะอยูนในจิตใจแตาว่ากิเลสราคะโทสะโมหะของเราเนี่ยเบาบางลงมันน่าจะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหถูกสูงต่ำดาขาวอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อจะจับอกกล่าตักขึ้น ่าตโยมพี่น้องประชาชนเหมือนกันถึงจะหลวงพ่อจะไม่ไปพูดชวนใหญ่ก็หลวงพ่อก็ทำความเข้าใจกับฝ่ายพระสงฆ์สัายาติโยมต่อไปภายภาคหน้ า, ม, ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะได้ใช้สติใช้ปัญญาความยับยั้งในจิตใจสรุปแล้วก็คือขันติคือความอด ท, ทนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทุกช่องเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าท่านเป็นสวยประชาติชาติหนึ่ง ฟังดูแล้วก็อนนาฟังน่าศึกษาอ น, นั้นคือพุทธะคือพุท ธ, ธาที่ท่านบำเพ็ญอะท่านบำเพ็ญอย่างสุดโต่งว่าไงท่านท่า น, ทานรักษาศัจจานิโรธรักษาจริงๆริงรักษาขันติท่านก็รักษาจริงๆท่านทำรักษาศีลท่านก็รักษาจริงๆริงท่านให้ทานเนี่ยท่านก็ให้ทานจริงๆอย่างพราะเวทชนดอนท่านให้ทาน ให้ทานจริงๆในดึกษาในประวัติท้าส ม, มัยเป็นท่านรักษาศีลเป็นผู้ฤทธาเป็นพญานาคถึงใครจะฆ่าจะตียังไงท่านก็ไม่ร่วงและหมดศีลของท่านแต่ชาติหนึ่งท่านเป็นฤาษีท่านรักษาขันติขันติคือความอดทนท่านก็ไปที่ไหนท่านก็ที่แหล่ท้างก็เกิดเป็นพรามณ์ ชาตกิกษัตรูพราหมณ์ไม่ใช่ ก, กษัตริย์เพเป็นพราหมณ์จากนั้นท่านออกปวดเป็นฤอสีอยู่ในป่าทัานก็ไปบปําเพ็ญท่านก็ยกย่องเชิดชูบูชาขันติคือความอดทนใช้ได้ในที่ทุกสถานถึงจะมีอะไรข้าพเจ้าจะไม่โกรธจะมีขันติความอดทนแล้วก็พร้อมกันข่าจะใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุกับผล แต่ข้าพเจ้าจะถือขันติคือความอดทนเป็นเบื้องหน้าเราจะไม่โกรธให้แกใครเราจะทํำสิ่งไหนจะทําเห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วถึงจะทุกข์ยรกลำบากอย่างไรข้าพเจ้าก็จะใช้ขันติคือความอดทนพยายามทําสิ่งนั้นให้สาเร็จร่วงรวมไปได้ถึงจะร้อนถึงจะหนาวข้าพเจ้าก็จะอดทนต่อร้อนหนาวนั้นข้าพเจ้าจะทําสิ่ง ที่ว่าเห็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ให้สําเร็จอันนี้คือคือขันติของพระโพธิสัตว์จากนั้นท่านก็ไปบวชอยู่ในป่าเป็นฤๅษีอยู่หลายปีไปอยู่ป่าดงพงไผ่ท่านก็อยากจะทานอาหารเค็มเลยมอยู่ในป่ามันไม่มีเข็มไม่มีเกลือลท่านก็อยากจะมาทานอาหารพวกในในเมืองเป็นบางครั้ง แนท่านก็มาพักอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าแผ่นดินคือสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินตามปกติพระเจ้าแผ่นดินจะมีส่วนใจส่วนอุทยานจะเป็นฤาษีสีพรายเขามาพักก็ได้บําเพ็ญเป็นสวนสาธารณะแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จเข้าไปเขาก็ให้คนเหล่านั้นออกไปกเขากงจะกันตำรวจทหารเตรียมพร้อมรักษาไว้แต่คราวนั้นฤาษีท่านอยู่ในป่าท่านก็ไป ข อ, อุทยานพวกอุทยานทหารตำรวจเขาเขียนว่าฤาษีท่านไปอยู่ในมุมหนึ่งก็ค์จะไม่มาบรบกวยพระเจ้าแผ่นดินว่าท่านก็อยู่องค์เดียวอยู่แบบเงียบสงบตอนเชาา้ามาท่านก็ไปบิณธบาตมา ฉ, ฉันฉันจะเล่นนั่งก็ไปถ้ามีใครเข้มาหาท่านจะจับรมเรื่องขันติดที่ความอด ท, ทนถ้าคนนะถ้ามีความอด ท, ทนอยู่ในสถานที่ใดโดยมากจะเป็นคนดีได้ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในระหว่างพักพู้ในระหว่างสามีภรรยาในระหว่างลูกหลานทั้งหลายถ้ามีขันติคือความอดทนไว้ในใจอย่าใช้อารมณ์โมโหโทโซออกไปคนนั้นจะเป็นคนดีจะเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมกลุสกุลเพราะเป็นผู้จิตใจเยือกเย็นมีขันติและก็พร้อมกับปัญญาปิจารณา ต, ตรายตองเหตุและผลควรจะใช้อย่างไร อย่างนี้หรือสีนั้นก็ท่งางก็สอนพี่น้องเป็นชายชนตามลำดับมาแต่วันนั้นท่างเข้ามาในส่วนอุทยานเทพเจ้าเป็นดินขีโมโหอารมณ์โกรธเทพเจ้าเป็นดินนิสัยไม่ดีอหนักมันนั่ น, นเแต่แล้วก็พร้อมกันก็เป็นคู่อริศัตรูกับพระฤาษีต่างหากนั้นเด็กเด็ท่านเรามาพักเสด็จเข้ามาพักพอมาพักแไน เจ้เป็นเด็แล้วก็นอนหลับไปกลุ่จิกินเล่าเมาเลยนอนหลับมออกไปพักผ่อนทั้งกายทั้งใจเอางั้นแต่เหนื่อยอ่อนเพลียมาแล้วก็เลยออกไปได้สวนก็เปพักก่อนแต่นี่ขนุมนาเรกัอยู่ไม่กี่คนสองสาคนแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ทัางกันหาดเที่ยวชมสวนอุทยา น, นยพอไปก็ไปเจอฤาษีเข้าทีนี่เป็นเจอฤาษีก็พวกนี้นก็เข้าไปลุมล้อมหลายร้อยคนะอางั้นเลย ไปถามท่านฤาษีท่านทำไมจึงบวชท่านบวชแล้วมีจุดประสงค์อะไรท่านฤาษีท่านก็สอนเรื่องขันติอยู่แล้วท่านหัวหึงเราเข้ามาบวชเราบำเพ็ญขันติคือความอดทนเรามองไม่เห็นคําข้ออื่นที่จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อโลกเท่ากับขันติถึงไทยจะดูดาบาก้าวเราเราก็ต้องขันติไว้ก่อน แล้วก็ค่อยมองเหตุและผลว่าเราจะแก้ไขอย่างไรไม่ใช่ว่าเขาดามาแล้วก็ด่าไปเนี่ยขขันติคือความอดทนโลกครังโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นพวกเราทุกท่านให้มีขันตินะที่ท่านกาลังสั่งสอนและุกสนมนาดีที่เป็นบริษัทบริวารของพระเจ้าแผ่นดินอยู่ตอนนี้พอพระเจ้าแผ่นดินตื่นขึ้นมา ตื่นมาพวกนั้นไปไหนไหมพวกขนมนาลีที่นั่งล้มรอบสองสามคนพอเขาไปชมสวนมั้งเขาเดินไปชมสวนไปทางไหนไปทางนน้นแล้วปเจ้าประเด็นก็เลยเดินเดินตามหามนพอเดินตามหาไปเห็นฤๅษีกาลังสอนบริษัทบริบาลของตนเองอยู่ปเจ้าประเด็ก็เมาเล่าพอนั้นเนี่นั้นแต่ก็เห็นฤๅษีก็เหมือนกับไม้ทิ่นตาอีก และตัวเองก็มีอํานาจอย่างเด็ดขาดพร้อมที่จะตัดคอใครก็ได้สมัยนั้นพระราชาชิดขาดตรนั้นกดอยู่กับพระราชาคนเดียวจะตัดคอใครก็ได้ผิดหรืกไม่ว่าแต่ี่ท่านเห็นฤาสีอยูน่น่งอยู่ตามลำพังบริษัทบริวารหอ้อมร้อมคือสมบัติหาีของตัวเองทั้งหมดห้อมร้อมอยู่นั้นแล้วก็คือเสียนี่นก็ ในอดีชาติ เ, เป็นผู้อริผู้ศัตรูกันมาก่อนพระราชาเี่ยคือเทวทัตมาเดอะฤาษีเนี่ยคือพระพตทเจ้าจองร่างจองผ่านกันมาก่อนพอเห็นเท่า น, นั้นแหะโอ้โหมันพท่มเข้าหูเข้าตาทั้งหมดเานั้นแหะวิ่งเข้าไปเพื่อจะอาดาบตัดคอเลยตัดคอฤาษีเลยแต่พี่ยังไม่ได้รู้อะไรนะเพียงแต่เห็นว่าแอ้สนมนาลีของตัวเองเป็นนั่งห้อมร้อมเท น, นั้นแหละ ตอนีพวกนั้นก็ลุกขึ้นมาปกป้องก็ลยยังมีดดาบลงได้แต่ถึงยังไงก็ตื่แต่พระราชาก็ยังโกรธโหโหโถชูในจิตใจบอกเราสั่งไปสกดมาเดี๋ยวนี้บอกงั้นไปศคาดเข้ามาไปจำทีทันทีพอไปจำที่ช่แล้วอ้าวท่านฤาษีท่านสอนอะไรเมื่อกี้เนี่ยฤาษีว่าอาตา ม, มาภาพสอนความอดทน ทันตีคือความอดทนนะะั่นแหะท่านจะได้รู้ว่าอดท น, น, นคืออะไรท่านจะอดทนได้ยังไงนะไปเจ็บจารามัดคือมัดแทงมัดขางเสร็จแล้วก็เอาไวาอไมากเชีนางหารอยทีคือตีคืโผลหร้อยทีตีสีขาห้าร้อยทีท ข, า ง, ทขางซ้ายขางขวาไคงจะอาจารย์มังปลายชา ก, ก็เดินไปไง ขันติของท่านบดทะยังเบือสีบอกว่ายังขันติมันไม่อยู่ในกายขันติมันอยู่ในใจของอันตามาภาพต่างหากเพราะนั้นถึงจะเชีย่ยงกับเชียงกายมันไม่ถึงกันขันติของเขาพปเก่าอยู่ในใจถ้าอย่างนั้น้า<อ>็จะฆ่าดตัดแขนหอวตัดแขนตัดข้อเท้าไปไง่ายเบือสีก็บอกว่า ขันติไม่ได้อยู่ในมือในแขนในเท้ามันอยู่ในใจเอาตัดจมูกตัดหูผลนิสุกพลุสีอย่างตอบอย่างเก่าพระราชาโมโหอย่างมากขึ้นไปกระโดดขึบ อ, อกพลุสีเหมนันเน่จากนั้นก็เดินออกไปพอเดินออกไปพอรับสายตาแผนเินก็กระสุ่เทวะทัตในข่าวนั้นลงไปสู่อเวจีมหานารกจากนั้น ปุลือีก็ยังไม่ตายนะก็ทึบขนาดนั้นแนละ้วอำมาตทั้งหลายที่อยู่ในเวียงวังก็เข้ามากเข้ามาก็เก็บข้อเท้าเก็บมือเก็บเก็บหูเก็บจมูกของพุลือีนี่จากนั้นก็ขอโทษขออภยัยถึงท่านจะโกรธเคืองให้แก่คนก็ให้โกรธแตดเฉพาะพระาชาเท่านั้นอย่าไปโกรธเถืองให้แก่ประสบนม่ก่อน พี่น้องประชาชนเพราะเขาไม่รับผู้รับสารประไรท์ทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของพระราชาส่วนตัวของพระราชาเท่านั้นขอท่านฤาษีจงอดโทษให้แกกลว่ประชาฤาษีบอกว่าอาตมาภาพไม่มีอะไรมีแต่ขันติคือความอดทนจะไม่โกรธให้แกใครทั้งหมดถึงพระราชาทําให้แกพระพิจารว่าขอให้พระราชาจงทรงพระเจริญ อันนั้นคือชาติท่านเป็นชาติบำเพ็ญขันติคือความบททวนของฤาษีที่ปกุกทีเจ้าที่ท่านบําเพ็ญมาถึงขนาดนั้นจากการเป็ไมนานความเจ็บปวดของท่านฤาษีก็ใจขาดบรรณาภาพไปเขาก็เลยจัดการเผาศพ ข, ของฤาษีแทนพระราชาพระราชาหมดลงไปในแผ่นดินหายเงียบเลื่อนนั่นไปชุเวทีมาหานรก ในทานด้วยวาชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขันติคือความอดทนถ้าทุกคนมีความอดทนในใจิตในใจรู้ขันติอยู่ที่ไหนความอดทนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจแต่ถ้าคนมีความขันติมีความอดทนอดกลัน้นอยู่ในใจไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใ ด, ดมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะไตรตรองเหตุและผลว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมอย่างเนี้ คนในชุมชนหรือกลุ่มคนเหล่านั้นครอบครัวเหล่านั้นบงการนั้นๆก็จะมีแต่ความชงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะต่างคงก็ต่างมีขันติแต่ถ้าว่ามีแต่ขันแตกด้วยกันคนนั้นก็แตกันนี้ก็แตกกูด่ามึงกูมึงก็ด่ากูกูว่าให้มึ ง, ม, งมึงก็ว่าให้กูมาด่าข้าทําไมข้าอดมานานแล้วเป็นขันติเลยแต่ปัดนี้ข้าเป็นขันแตกแล้วนี่ถ้าโลกทั้งโลกเป็นอย่างนั้นแล้วความวุ่นวาย ความหายยนะันตก็จะมาเกิดในชุมชนในสังคมนั้นๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้ขาขันติคือความอดทนอันนี้ก็เป็นธรรมที่ยับยั้งโลกของเราให้อยู่ด้วยกันสงบพรมเย็นเป็นสุขให้รู้จักสูงให้รู้จักต่าให้รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้รู้จักวงศ์สาคนาญาติให้รู้จักเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ให้รู้จักวัยวุฒิคุณนวุฒิควรปฏิบัติตนอย่างไร ให้รู้จักฐานอัปฐานะอย่างควรจะปฏิบัติตนอย่างไรกับคนกลุ่มนั้นชุมชนเหล่านั้นในการสถานที่นั้นๆถ้ารู้เราใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตรองเหตุและผลพร้อมกันก็มีขันติคือความอด ท, ทนเป็นพื้นฐานอยู่ในสถานที่ใดก็ราพรืนเรียบร้อยสวยงามไม่มีผิดมีภัยกับใครๆทั้งหมดให้เราคิดไปอยู่เสมอ่า ถึงจะทำยังไงโดดเด่นโดดดังร่ลำรวยมั่งมีสีสุก ข, ขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างกระดูกของเราก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้เราจะไปเสริมเราจะไปอะโอหังมังคโลอย่างตรงภาษาศัพท์ของหลวงปู่ลานโอหังมังคโลโอหังเนี่ยได้แค่ว่าอวดอ้างวางเขาเ่านั้น ทำไมอะไรมากมายนักหนาอีกสักวันหนึ่งเท่านั้นแหละยังไม่รู้ว่าวันไหนแหละไอ้ข้าก็จะหายสักศูงจากโลคมากต่อมากไปแล้วไอ้ท่าจะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าบันทึกไหมเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกเราจะบันทึกไปไหมคนละหกสิบล้านคนในเมืองไทยจากนั้นโลกทั้งโลกไปกี่หมือนกี่แสนล้านคนใครทําอะไรไปไบ้างเราก็ชวนหนึ่งเราก็คนหนึ่งแหละที่ทํา ดีทําชั่วในคนกลุ่มนั้นเพราะนั้นอีกสักวันหนึ่งข่าก็จะต้องหายสาบสูญขับโลกมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามถึงใครจะเป็นยังไงก็ตามข่าพระเจ้าต้องเป็นคนดีคนหนึ่งสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง เ, อเราพวกเราอยู่ในชุมชนกลุ่มคนใดอยู่ในญาติพี่น้องใดพ่อแม่ใดบงตรสาขานายญาติใด เราจะทําดีที่สุดในวงศาคนาาดนั้นอย่างนั้นเราก็พยายามสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอีกด้วยอย่าประมาทเพราะตายแล้วไม่ศูญในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกไว้แล้วตรัสไวแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพ่อพุทธเจ้าพ่สูจนมาแล้วโคตรมาแล้วดูมาแล้วตรวจตรามาแล้วตุกภะในวารสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้ถ้าพปุถุตเจ้าตายแล้วศูนย์ท่านจะระลึกชาติผหลังได้ไย่ ที่ทันนลึกชาติผลลัพธ์ได้เพราะมันไม่ศูนย่างนี้เมื่อมันไม่สูญนะตายแล้วต้องเกิดอีกอย่นี้เมื่อมันเกิดอีกภายภาคหน้าเราเตรียมพร้อมอะไรยังภูมิทัศน์ของเรามีพร้อมอะไรยังในกระเป๋าของเราบุญกุศลมีพร้อมอะไรยังที่จะเดินทางไปสู่ภายภาคหน้าถูกภพภูมิต่างๆภพภูมิชาติหน้าต่อไปอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องคิดจะต้องไตร่ตรองด้วยเหตุและผลต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ฟังศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีดีมีชั่วมีบาสมีบุญมีดำมีมืดมีเฝามีดำมีเกิดมีตายมีบุญมีบาสมีนรกมีสวรรค์มีทำมีขับทมันมีคู่ทั้งนั้นหละเพราะนั้นเราพวกเราก็มีหูอยู่สองทางอยู่เหมือนกันฟังซ้ายฟังขวาฟังหน้าฟังหลังเหมือนกันตาพวกเราก็มีสองอยู่เหมือนกันดูให้ดี ในโลกนี่อย่าไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งเพราะเราอยู่ไกลเพราะนั้นให้เราปิดใจพร้อมด้วยเหตุและผลให้จิตใจเรา น, นึ่งเอาไว้อันไหนที่มันไม่ดีมันจะผลให้เห็นต่อไปภายภาคหน้ามันปิดไม่มิดต่อความชั่วความชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นย่อมเผผ่านเมื่อภายหลงังเพราะนั้นความชั่วนั้นจะปิดไม่มิดถึงจะเองต้องมิดก็เถอ แต่ต่อไปภายภ า, าคหน้านะมันจะผูกจะรู้จะเห็นเพราะนั้นอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีทําแส่บุญกุศลทําแส่คุณงามความดีเขาสู่จิตใจพบมีชัดนี่เราก็เย็นสบายสบายใจถ้ามีพบมีชาติเราก็ไม่ได้ทําความชั่วเราก็ไปสู่ความสุขความจเจริญต่อไปภายภ า, าคหน้าเพราะนั้นบุญกุศลควรส่งสมเป็นอย่างจริงเรียกว่าปุญญาณิปรลกรมิงปฏิทหาโหรตีปานิดัง บุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าบุญสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องสั่งสมเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยมันนีหลงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายในระดับหนึ่งต่อนนี้ไปรับพร อ, อนะนโมทนาให้พร